พิกสูทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นที่เป็นค่าศึกเป็นทิฐิที่เป็นนิยานิกระทำนาบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไฉนอันนี้เป็นโสดาปฏิมครคทิฐิเนี่ยนะโสดาปฏิมครคเป็นต้นเนี่ยโสดาปฏิมครคนี่แหละชื่อว่าไกลาจากค่าศึกโสดาปฏิมครคนั่นแหละเป็นธรรมะที่นําออกนําออกจากวัตตะ โซดาปฏิมักนี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะถามว่าโสดาปฏิมักขัตติิผู้ที่เป็นพระโซดาบันเนี่ยนะมีโสดาปฏิมักขัตติิเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุท ธ, ธานกิเลสใดกลุ่มรุมไม่ เป็นเหตุให้ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าถ้าหากว่าจิตของผู้ใดมีอกุศลกลุ่มรุมเนี่ยนะมีมีสิ่งที่เศร้าหมองมากลุ่มรุมเนี่ยจิตอันนั้นก็ไม่ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุท ธ, ธ์ฐานกิเลสในภายในที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือหนอมีอกุศลละธรรมเหล่าใดที่มันกลุ่มรุมอยู่ภายในที่เรายัางละไม่ได้เนี่ยมีอยู่หรือไม่ ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันการมาราคะกลุ่มรุมชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมาดูว่าราคะกลุ่มรุมเกลือกกล้วอยู่ในใจไหมมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมมีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วนั่นเที่ยวใครก็ตามที่มีจิตถูกพยาบาทถูกโทสะครอบงําเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีจิตที่กิเลสเนี่ยปริยุทธฐานแต่ว่ากลุ่มรุมนั่นเอง มีจิตอันทีณมิทะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวมีจิตอันอุทธะจักกุกุจักกลุ่มรุมชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันวิจิกิจากลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวเนี่ยนะเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าอันนี้เป็นพวกสัตตทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีทิฐิก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุท ธ, ธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวและเกิดขัดใจทะเละวิวาทิ่มแทงกันและการด้วยหอกคือปากก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวผู้ที่มีกิตอ่ะนะก็ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันกิเลสปริยุทธานใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง กิเลสปริยุทธานในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้แล้วไม่มีเลยคณะก็มาดูว่า1จิตถูกกิเลสกลุ่มรุมไหมกิเลส7กลุ่มในกลุ่มราาม 2, ม 3, ุมไหมหนึ 4, ่งกามาราคะกลุ่มรุมในใจไหมสอโทสะไหมสาม่วงซสืมไหมสีฟุ้งซ่านรําคาญใจไหมห้ 5. สงสัยในกุศลธรรมอยู่หรือเปล่าหกยังหวังโลกหน้าต่อต่อไปไหมเจ็ดทะเลาะกับใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะ มีเรื่องกินใจใครหรื อ, รอเปล่าคิดแหม้คนทําไมว่าเราอย่างนี้ทําไมพูดกับเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นเป็นต้นคือก็อกินใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกว่าคนอื่นเขากินใจเราเนี่ยนะก็ถ้าเก็บสิ่งเหล่านี้มาคิดบ่อยๆเรียว่าคนที่มีกิเลสกรุ้มรุมอยู่ในภายในใจมีจิตใจที่มันถ้าเป็นน้ําก็เป็นน้ําเดือดพล่านเนี่ยนะเดือดเดือดด้วยราคะด้วยโทสะด้วย ทีนม่มิทธะอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาก็คือนิวรหา้าแล้วก็ฝักไฝในโลกหน้าแล้วก็ทะเลาะ ก, กันอยู่นั่นแหละหาช่องทางมจะด่าเขาได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตใจมุ่งหวังว่าจะเอาหอกคือวาจาเนี่ยไปทิ่มคนอื่นได้ยังไงแหวงกัดคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะใช้หอกคือวาจาจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มอกจิ้มใจจิ้มหูไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าสํารวจดูแล้วใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลย พอใจไม่ถูกถูกหมายถึงว่าเออเนี่ยเออดีเนาะเราราคาก็ไม่กลุ่มรุมโทสะก็ไม่พลานง่วงก็ไม่ง่วงไม่ฟงซ่านไม่รำคาญไม่สงสัยในข้อปฏิบัติไม่ได้หวังโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทะเลาะกับใครเลยแล้วทําไงตั้งจิตเอาไว้เพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายอันนี้สําคัญอะคืออกุชลไม่กลุ่มรุมก็ไม่โอ้สบายแล้วเราว่างกันเถอะปลอดภัยแล้วบอกไม่ต้องตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจจะทั้งหลาย ตั้งจิตเพื่อตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาตั้งจิตเพื่อตรัสรู้สมุทัยด้วยปหานะตั้งจิตเพื่อตรัสรู้นิพพานด้วยทําให้แจ้งตั้งจิตเพื่อเจริญอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะมันตั้งจิตเพื่อแทงตลอดอริยศัสตร์ตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยศัสตร์อันนี้แหละเป็นยาณะที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันภิสูจนนั้นบรรลุแล้วพระท่าริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยราคะไม่กลุ่มรุมพยาบาทไม่กลุ่มรุมถีนมิท่าไม่กลุ่มรุมอุทจักกุกกุจจะไม่กลุ่มรุมวิจิกิจช้าไม่กลุ่มรุมพวกนี้ไม่ค่อยไม่หวังโลกหน้าไม่คิดแต่เรื่องโลกหน้าเนี่ยนะไม่ทะเลาะวิวาทขัดใจกับใครแล้วตั้งจิตเพื่อกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรตเพราะเขาได้โสดาปฏิมรักแล้วเนี่ยนะไม่เข้าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในการแทงตลอดสัจจะ แต่ตั้งจิตเพื่อแทงตลอดสัจจะระดับสูงคือสกทาคามิมักตั้งจิตเพื่อแทงสัจจะระดับสูงคืออนาคามิมักและอรหัตตมักให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่นิอักุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจ ร, ระดับสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละเป็นอริยสัมมาทิฐิข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันเป็นองค์ของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจ อย่าไปคิดว่าโอ้ยพระโสดาบันเนี่ยวังกับสวรรค์โอ้ยจะได้ไปชมเนี่ยดอกไม้เป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพระโสดาบันหวังใจในเรื่องการเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะความที่เขาหวังเห็นอริยสัจนี่แหละทำให้เขาไม่ไปอบายคนที่ไม่คิดจะบรรลุไม่คิดจะเห็นอริยสัจแม่มันยากที่จะปิดอบายได้นเนยยากจริงที่นี้ต่อไปข้อที่สองอ่าข้อที่สองเนี่ยนะ ย า, ยานที่สองที่ที่เป็นสัมมาทิฐิหรือว่าเป็นองค์ของพระสุดาบันอย่างที่สองก็คือภิสูุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับเฉพาะตนย่อมได้ย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือ no แปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเราเห็นแบบนี้มากๆหมายคขาว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นทุกข์ด้วยการกําหนดรู้น้อมไปเพื่อเห็นสมุทัยเพื่อการละเห็นนิโรธเพื่อทําให้แจ้งเห็นอริยมรรคเพื่อการเจริญเนี่ยนะเน้นเพื่อเพื่อกำหนดรู้เพื่อละเพื่อทําให้แจ้งเพื่อเจริญอย่างนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยมันระ ง, งับดับกิเลสเฉพาะตัวได้หรือไม่ทําอย่างนี้บ่อยๆแล้วดับกิเลสได้ไหม อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระ ง, งับดับกิเลสเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้เป็นยานที่สองอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วนั่นนะองค์ที่สองคืออะไรเชื่อมั่นอย่างปักใจยอมรับปักใจเลยว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ดับกิเลสได้อย่างแน่นอน คือคือคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะบางทีเขาก็บอกว่าเขาบรรลุเขาบรรลุเขาเขาเห็นแล้วเขาบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่เขาแน่ใจหรือว่าเขาจะดับกิเลสได้จริงเขาดับกิเลสได้แล้วจริงๆหรือเนี่ยนะต้องฟอกตัวเองบ่อยๆแต่ใช้คําว่าดับกิเลสเนี่ยนะดับความเศร้าหมองในใจอยู่หรือ ถ้าคนที่มีปัญญาหน่อยเขาไม่เผลอแล้วไอ้นี่มันเศร้ามองนะนี้มันฟุ้งซ่านนะนี้อกุศลนะนี้มีโทษนะเขาจะไม่เผลอเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าวัดไข้ใจตัวเองก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยป่วยบ่อยนะความคิดเราป่วยบ่อยความคิดเราไม่สบายบ่อยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นวั ด, ด, ววดทางความคิดเนี่ยนะมันติดเชื้อมาอา้าวก็เห็นเขาเครียดมาแล้วก็เครียดตอบใช่ไหมอันนี้ก็ติดเชื้อวัดมาแล้วละเนี่ยนะ เห็นเขาไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจด้วยเห็นเขาเครียดเราก็เครียดด้วยเห็นเขาหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดด้วยเห็นเขาโกรธมาแล้วโกรธหนักกับเขาอีกอยังไงเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าวัดวัดที่มันรุนแรงมากลุงเรืองใช้ผ้าทิชชู่แบบซับน้ำมูกไม่พอหรอกตั้งอย่างอื่นอีกเนี่ยต้องฉีดยาแล้วอย่ยงนี้นะเพราะพวกนี้เป็นอักเสบทางความคิดเนี่ยนะมันก็ต้องคิดดูว่าเออความเห็นของเราเนี่ยดับกิเลสได้จริงหรือที่ทําอยู่ทําอยู่เนี่ย เป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลได้จริงหรือเนี่ยในะอันนี้ต้องสํารวจตรวจสอบนะอย่าลืมว่าพระโสดาบันเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดท่านจะไม่ไม่เป็นพวกสะเพาไม่สะเพาและคิดเออบรรลุแน่บนรรลุแน่แน่ยังไงอะ่ะเขามีการซักมีการฟอกมีการสํารวจตรวจสอบแล้วว่ามันจริงหรือไม่เขาเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเลยนะก็ะว่าตรวจสอบมากเลยนะทีนี้ข้อต่อไปอ น, นะญาณะที่สาม ข้อห้ริกห้สูนทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมนอกวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยโสดาปฏิมัคคสัมมาทิฏฐิใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมนอกวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐินะเช่นนั้น ไม่มีอันนี้เป็นญาณะที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตุชนอันพระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วคือทิฏฐิความเห็นนี้ไม่ใช่ความเห็นโลโลอย่างนั้นเถอะไม่ใช่เห็นโลมีทั่วไปหมดเนี่ยนะวางขายตามตลาดทั่วไปหมดเป็นความเห็นที่เรกว่าสาธารณะเอามาเป็นสินค้าแบ่งขายมีขายทั่วทุกลดที่เป็นต้นไม้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นโสดาปิมัคขสัมมาทิฏฐิ ที่มีอยู่เฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นของพระพุทธเจ้านะันไม่ใช่ของเราต้องระวังให้ดีเนี่ยนะอุ้ยข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยไม่เลอะอะไรนะไม่โหลรอกมีที่นี้ที่เดียวตั้นมากับมือสร้างมากับมือไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ยนะงั้นคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าสินะนี่ไม่แต่นี้หมายาว่าเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นความเห็นตามเป็นความเห็นที่มีอยู่เฉพาะ ผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้เห็นแล้วเราก็เป็นผู้ที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าอั้นคำสอนนี่มีอยู่เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบนั่นก็ดีนี่ก็ดีดีไปหมดเนี่ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ความเห็นคนละเรื่องเลยดีไปหมดมันจะไปดีได้ยังไงเนี่ยนะกเรียกว่าอะไรที่มันตี ต, ตีกันหมดเนี่ยนะที่มันทะเลาะกันเองในตัวแล้วบอกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเหมือนคนใจดีใช่หเหมือนคนใจกว้างเนี่ยนะ ก็ความดีอันนั้นก็คิดให้ดีกันแล้วกันเนี่ยนะออยอมรับว่าความเห็นอันนั้นดีก็คุณก็คิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมถ้าดีแล้วก็รับผลโดยดอะไรนะยินดีรับผลของมันเถอะเามือนนนะดีไปทุกเรื่องไปหมดเลยแต่ใน ต, ตรงนี้เน้นพิเศษคือทิฏฐิ ท, ท, ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเน้นพิเศษคือ วิปัสนาสัมมาทิฏฐิแล้วก็มัคคสัมมาทิฏฐิพิเศษคืออริยมัคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่รู้ทุกสัมมาทิฏฐิที่รู้สมุทัยสัมมาทิฏฐิที่รู้จักนิโรธคือพระนิพพานสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัคเนี่ยนะเจริญทิฏฐิอันนี้แล้วจะเจริญด้วยโสดาปฏิมัคจะเจริญด้วยสกทาคามิมัคจะเจริญด้วยอนาคามิมัคและในที่สุดเพิ่มพูนอรหัตตมัคได้สําเร็จเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อที่สี่ ยานะที่เอ่อที่สามสิเนาะยานะที่สามก็คือเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นส่วนยานะที่สี่ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาปติมกักเป็นต้นเนี่ยนะประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น ธรรมดาพระอริยะธรรมดาของท่านกับธรรมดาของเราเหมือนกันหรือเปล่าด <Ooh. S 1> ูดิธรรมดาแปลว่าปกติเนี่ยนะปกติของพระอริยสาวกเป็นยังไงพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิคือโสดาปฏิมักเนี่ยนะมีธรรมดาหรือมีปกติอย่างไรพิสูจทั้งหลายธรรมดาปกติของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิคือพระโสดาบันเนี่ยนะความออกจากอบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอบัตเช่นนั้นได้บ้าง ก็แปลว่าพระโสดาบันท่านก็เป็นอาบัติได้แต่เป็นอาบัติที่ไม่ได้เจตนาจงใจที่จะล่วงล่วงเพราะไม่รู้ว่าเป็นสิกขาบทนี่อย่างหนึ่งล่วงเพราะอะไรเพราะหลงลืมสติอย่างหนึ่งเนี่ยนะ ถ, ถึงอย่างนั้นพอท่านรู้ว่าเป็นอาบัติก็รีบแสดงรีบเปิดเผยอาบัติรีบทำอาบัติให้ตื้น ออกจากอาบัตนั้นในสำนักของพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครันแสดงเปิดเผยทาให้ตื้นแล้วก็สังวรระวังต่อไปท่านจะล่วงในสิ่งที่ท่านไม่รู้เท่านั้นพอท่านรู้ปั๊บท่านก็จะระสังวรระวังต่อไปการที่ใจของท่านเป็นอาบัตเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกูมารที่เด็กอ่อนนะ่นะกูมารหรือเด็กอ่อนนอนงาย โขกฐานไฟด้วยมือหรือเท้าเหยียดมือเหยียดเท้าเข้าไปหาไฟแล้วก็รีบชักหนีอย่างเร็วพลันฉันใด่าอาริยาสาวกนั้นรู้ชัดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นอาบัติแล้วก็รีบแสดงคืนรีบทําคืนรู้กลางวันแสดงคืนกลางวันรู้กลางคืนแสดงคืนกลางแสดงคืนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นสังวรระวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่มีซ้ําอีกเหมือนเดิมจะไม่วเวียนกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกเปรียบเหมือนเรียกว่า เอาใครที่เอามือไปยื่นไปโดนไฟลวกเนะี่ยเอาอีกไหมตั้งใจไหมจะเอาอีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบนึงเขาไม่เพี้ยนขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอริยะสาวกนั้นย่อมเป็นอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นธรรมดาธรรมดาของพระโสดาบันถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเนีย่ยนะครับว่าต้องการปกปิดซ่อนเร้นตัวเองหรือเปล่าอันนะมีความผิดอยู่แล้วก็ปกปิดมกเม็ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไมค่คิดจะชำระคืนไหมเนะี่ย อันนี้แหละเป็นยานที่สี่เป็นพระที่เป็นของพระอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วเนทีนี้ต่อไปยานยานที่ห้าของพระอริยะเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพื้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นใดคือปกติของพระอริยะสาวกพระโสดาบันเนี่ยนะ ถึงเราก็ประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นนั้นธรรมดาเช่นนั้นคืออะไรธรรมดานี้พี่สุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวกถึงความขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้คือเป็นคนที่เรียกว่าไม่เอาเปรียบเพื่อนเลยะนะถ้ามีกิจการงานของสงข์ขึ้นมาก็ไม่เอาเปรียบขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหมด ถึงทำงานเป็นต้นอย่างอื่นอยู่ถึงช่วยเหลืองานเพื่อนสัพหมจารีคือครูบาอาจารย์เป็นต้นอยู่แต่ความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าแล้วฝักฝ่ายอย่างแรงกล้าในอธิศีฝักฝ่ายอย่างแรงกล้าในอธิจิตฝักฝ่ายอย่างแรงกล้าในอธิปัญญาของพระอริยาสาวกนั้นมีอยู่เปรียบเหมือนแม่แม่โคลูกอ่อน ถึงจะเล็มหญ้าเคี้ยกินหญ้าก็ยังชำเลืองดูลูกฉะนั้น